เรื่องต่อปัญหาธรรมะทางวิทยุในวันพระโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอออำนวยพรสุริสวัตรพิปัตนามองคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความพาสุกทุกละการ พอจงบังเกิดมีแต่เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายตลอดทางทันซาทุชนผู้ที่มีความสนใจไฝ่ในธรรมผู้สแสวงหาคนงามความดีผู้ฝ่ายบุญฝ่ายกุศลต่างหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนนโอกาสนี้ ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านตั้งล้ายจะได้ฟังการกล่าวทำนิกถาปตาตกรถาธรรมอันเป็นคำสั่งซ้อนในทางพระพุทธศาสนาแลว้วขอให้ท่านตั้งล้ายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟัง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 ไม่มีหัวข้อที่จะเป็นประเด็นเป็นเรื่องเป็นราวแต่จะเป็นการตอบปัญหาธรรมะในวันพระทางสถานีวิทยุหาเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวรรณะได้เวียนมาบรรจบครบรอบ อีกคำรบหนึ่งนัานนักนาที่ไม่ได้พบกับท่านตั้งหลายทางสุ่มเสียงเนื่องจะว่าภาระหน้าที่การงานก็มากมายก่กองงานที่จะต้องเที่ยวไปแสดงทำในที่ต่างๆทั้งอบรมพระทรงองค์เจ้าเราอุบาโุบาสิกาที่อยู่ในวัดก็มากในหน้าพรรษา ผู้ทิมมาอบรมจิตเจริญสมาธิภาวนาทั้งเหล่าพระสองฆ์เจ้าที่เป็นนวากะที่บวชใหม่ก็ต้องให้ความเอาใจใส่อบรมพัมสอนเพื่อให้ได้รับประโยชน์ในทางพระศาสนานอกจากนั้นการเที่ยวจาริกไปในที่นิบนต่างๆเพื่ออบรมอยาโยมพุทธบริษัท เพื่อ น, นำพาหูชนให้ประดิษฐานมั่นสู่อริยยายธรรมอันเป็นสมาธิิในทางพระพุทธศาสนาก็แทยจะไม่มีเวลาหาใดพักผ่อนนอกจากนั้นก็หน่วยงานราชการต่างๆตอนนี้ถือเสียว่าเป็นโอกาสดีได้มาพบกับท่านต่างหลาย วันพระเป็นวันที่มีคุณค่ามีความหมายเป็นวันที่น่ารักสำหรับเราชาวพุทธที่ใช้วันน่ารัก <c oughs> ไม่ก็ว่าบรรยากาศของวันพระนั้นเป็นบรรยากาศที่เรียบง่ายบริสุทธิ์ทางกฎหมายบ้านเมืองก็ช่วยออกม า, บ, าบังคับห้ามคนต่างหลายฆ่างัวฆ่าควาย อันนี้ยังน่ารักกับไปอีกถึงขนาดนั้นก็มีคนรักไปฆ่าจูดีๆนั่นแหละเนื่งจากนั้นถ้าเป็นสมัยโบราณภาคอีสานบ้านเรานี่ก็ถือวันพระนี่เป็นมื้อคาภาคอีสานา น, นั่นนครพนมสกลนครส่วนมากจะเป็นเผ่าชนที่เป็นไทยย่อ ผสมกับไทยยอยขาเริงผู้ไทยบ้านมีสนามแกงสลระแสงเพินกระสางลวงพ้บางเพินกระแตงไม่หล่อมแบงเดงแกวแถวผู้ไท ย, ยกระเลงห่อสกนนอกร บ, บ้านเกา่ามันก็เรนับถือพระพุทธศาสนากันมาเป็นเวลาหลายชั่วโคนรหลายชั่วคนสองฝากฝั่งแม่น้ำของ อีสารบ้านเฮาทั้งฝั่งลาวทั้งโน้นก็ไม่ใช่อื่นไกลพู ด, ดใดไกลพูดหนึ่งสมัยก่อนยังไม่รู้จักท้ายไม่รู้จักคว้าไม่มีคอไม่นิดไม่มีประชาที่ปไตยอยู่กันด้วยน้ำใจไทยลาวสองไอ้น้องสองฝากฝัง ผนบานพีหนี่บานน้องปองดองหักแกนทุกยากแขนว่านเอินซอยกันทั่งฟังรัวฟังสายเสมอเพลินแผนเดียวเที่ยวท่างความไปมาหาสูแต่เดี๋ยวนี้มันก่อ อย่างว่าโลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์กล่าวไปไกลเศรษฐกิจยุคใหม่การเมืองยุคปัจจุบันมันก็ลไปกันคนละทิศคนละทางคุ้มดีคุ้มร้ายวันนี้เป็นพีุ่่งนี้เป็นน้องวันต่อไปเป็นศัตรูวันต่อไ ป, เ ป, อไปเป็นอะไรก็ไม่รู้โอนไปเวียนมาน่าเสียดายแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นสมัยโบราณไม่รู้จักคาว่า ลาวไทยมีแต่อันหนึ่งอันเดียวกันทางนั่นคน ท, ทางฝั่งนี้ก็เรียกทางโน้นเป็นไทยทางฝั่งโน้นก็เรียกทางนี้เป็นไทยถ้าข้ามแม่น้ําของไปฝั่งโน้นก็บอกว่าไทยฝั่งนั่นพินม่ยามถ้าทางฝั่งโน้นข้ามมาฝั่งซ้ายข้ามมาก็บอกว่าไทยเวียงจันทน์พนมยาม ไทยสวนมะเขตมายามไทยท่าแขกมายามไทยปากสันมายามมันเลยมีแต่ไทยด้วยกันทั้งนั้นคําว่าไทยเป็นทอยคำที่ภาคภูมิใจหมายถึงอิสรภาพเสรีตรงกันข้ามกับคําว่าทาตคําว่าลาวตรงกันข้ามกับคําว่าแหลงลาวแหลงไทยทาตนั้นเป็นคําตรงกันข้ามกันไทยแปลว่าลาวลาวแปลว่าไทยเอาไปกันใหญ่เลย เพราะนั่นเราได้นับถือพุทธศาสนาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงมีวันพระเหมือนกันวันพระฝั่งนี้กับวันพระฝั่งนู้นก็เหมือนกันเป็นยังได น, น้อพี่น้องทางฝั่งพุ่นนะาทางบ้านโพนสาวเอเมืองปากเปะเงาพอน้อยเงาพอสีล้าอยู่ที่มีแหงมโน เกิดหอดขึ้ดถึงบ่าบ่ฮันได้มีวางมียามพอเสด็ไปมหาสู้เข้าไปทางในทางเมืองท่าแขกก็ไปทางนู้นกองแก้วมหาัยเมืองพินเมืองนองเมืองตะปนก็ล้วนแต่หวานเคืออันหนึ่งอันเดียวกันกเรามีวันพระเหมือนกันทางโน้ก็บอกว่ามื้อคา ถ้าเป็นภาษาไทยงอหวัวมือคนี่มนี่อย่าไปเอ็ดเวียดเอ็ดงานฆ่าสัตว์ชีวิตเลลงวัดลงวาหูจักกินหูจักทานหูจักทางไปนรกทางไปสวรรค์นบุห์ว่ถ้าเป็นทางเมืองอู่เทนนี่ถ้าอูทเทนสสงคำนี่บ้านแพงคืองันมันูจักมือคำแล้วก็มาทางเมืองสกลทาง คำตากาวานอนอากาศอํานวยบ้านม่วงประวางแดนดินพังโคลก็ไปเลื่อย้าไปทางในพังผูเขาทั้งเมืองพัลนาเมืองว่าลิบน้ำอุ่นก็ว่า้คือเดียวนะยมือข่ำเลยเลยเอดวีเอทงานได้มือนี้อยู่เฮินอยู่ซ่านเขาวัดเขาว่าทำบุญทำทานตักบาตรหยาดน้ำหาเอีสานเขียนไว้ในฮีตในคลองเลยเนี่สอนลาน ว่าอย่างไรเขาเขียนเอาไว้ว่าเจ็ดวันเลี้ยงลูกปลูกพ่อวันที่แปดเจ็ดวันเลี้ยงลูกปลูกพ่อวันที่แปดพ่กอกระบอกเปนพ่อเขาปลูกลูกกระบอกเป็นลูกเขาเลี้ยงถ้อยคํานี้ลึกซึ้งมากเกินกว่าคนธรรมดาที่จะเข้าใจในญาติสอนหลางกระเขียนไว้อย่างนี้ เจ็วันเลี้ยงลูกปลูกพ่อเมือที่แปดพ่อกะบ่มเป็นพ่อเฮาปลูกลูกกะบ่มเป็นลูกเฮาเลี้ยงเอาไว้ยอย่างนี้ถึงละดูเดือนเก่าเป็นกลางแห่งวัฏจาาักรประชา ช, ชั่นชาวเมืองแต่เราเตรียมกันไหวภาคันท่านยังเขาประดับดินกินกอนท่ายกท่านถอดให้สังโคผอมสู่ไพ่เดินซิมาฮอดแล้วท่ายกถอดบวยบานเบิกพี่ทําทานต่อมา สองสันเขาสากน้ำไปให้สังโคท่านถอดผ้ากันวังอยอดแก้วนิพานพุ่นบอนเย็นญาสิภาโมเจาสัางแต่งกองบุญเมื่อนี่เป็นวันศิลปเวียกห้องเศร้าไหวญาสิพาไปไหวญาคู่สังขลาดไปตักบาตรหยาดนาฟั่งเจ้าเทศนะนี่คนโบราณ ปู่ย่าตายายสอนโลกสอนล้านวันพระวันเจ้ามัอนี่เป็นวันศีลเรียกว่าวันศีลยิ่งสมบูรณ์แบบวันที่ทุกคนจะต้องมีศีลมีธรรมศีลแปลว่าภาวะปกติศีลแปลว่าการสำรวมกายวาจาไม่ไปทำบาปทำชั่วเบียดเบียนตนเองผู้อื่นทางกายทางวาจา วันนี้เป็นวันศินวันจะมีสินวันจะไม่ทําบาปบางทีก็พูดไปอีกคํานึงว่ามือคําคํามันจะคําว่าทองคําพูดรัดเอาตามภาษาภาคอีสานภาษาลาวพูดสั้นๆจะว่าวันทองวันคํามันก็นหลายคําเวลานาทีทองมันยากพูดลัดเอามือคํา คำตัวนี้หมายความว่าวันชื่นคืนสุกวันดีวันงามวันอันเป็นทองเป็นคำวันเวลานาทีที่มีคุณค่ามีความหมายในชีวิตที่เกิดมาแล้วไม่ตาบอดหูหนวกเกิดมาพบปพระพุทธศาสนาเกิดมามีชีวิตชีวาถึงวันนี้ เป็นวันที่เรามีคุณค่ามากวันที่จะไม่ทําบาปวันที่จะประกอบคุณงามความดีพรุ่งนี้ไม่เนี่ยว่าเราจะมีชีวิตจุหรือไม่ไม่มีใครรับประกันได้ว่าเราจะมีชีวิตจยูในวันพรุ่งนี้เตือนเมื่อเสาเห็นหน้าจังหวะย่างเหมือนเป็นเมืองข่าวันดีคืนดีจะประกอบสิ่งที่ดีที่งามนี่ความหมายของคําว่ามืองขําในเมืองสกลนครนครพนมสองฝากฟังเลือกฟังของ บอกพี่น้องชาวโยะบ้านอตาตมาีตั้งแต่เกิดมาหาถึงวันพระแล้วก็ได้ยินลวดละมือํำอย่าไปไถให้ไถานาได้สวยไถยงยะปั๊บพร้อมสมัยก่อนเนอะใครไปทำไรทำนายุดวันนี้ลงวัดลงวาฟังเทศฟังธรรมผู้เท่าเต็มอยู่ศาลางาโคขึ้นทรมาดยินหน้าพันษานี เป็นธรรมมาถือคำทีใบลานเขียนด้วยตัวทมเขียนด้วยตัวเราไทน้อยอ่านฟังบัดนี้เฮียมจะไขเต็งตังคุณศาสเธรทมก่อนแล้วเป็นทียูยังฝงพมเพงไหว้สอยควนทีอัศจรรย์ล่ํมโลกกากรงโลกมีในทศศาสตร์แเที่โอส่ทรงเว่นทานเอ้ย อ่านหนังสือลำพระเจ้าสิบชาติพระเจ้าห้าสิบชาติปัญญาสัจชาดกพระสัจชาชาดกพระเจ้าห้าร้อยชาติชาดกต่างๆมีอะไรก้องงาดกันมาเทศนาสั่งซ้อนกันผู้เท่าผู้แกตั้งใจฟังจบแรกก็กับบ้านไปเล่าให้โลกให้ล้านฟังก็เลยเป็นระบบหมุนเวียนคันเจริญลีเลชั่นชีพนี่คือมือคาหลัก อีกคำนึงมันจะคำว่าขลังขลังไปว่าวันห้ามขลังไปว่าอห้ามวอย่าไปเอ็ดได้เนี่นะันมัลังได้เถอบาปกินหถ้าเป็นไทยยอราถ้าเป็นพุทไทยก็อย่าไปเอ็ดได้เนีนะั้นมันขลังได้หันมันบดขยี้ปู้องบาปกินหได้หันตกนรกมกไม้ไได้อ่อนซเยจะพากันไปเอ็ดได้ลุ้ยานเย พ่อใหญ่แม่ใหญ่คอดเท่าแม่เท่าสอนลกูกสอนหลานเป็นนั้นว่ามือคำมาจะคําว่าทองคําวันดีวันงามเวลานาทีทองแล้วก็มือคำอีกคํานึ่ก็หมายว่ามือขลอําไอ้ผู้ขลํามันก็หลายคําก็เลยเอาเลยรัดขลําเป็นคําำขลําเป็นภาษาสวลังวัตตาดู ไปว่าข้อห้ามวันห้ามมือไปว่าวันขลังไปว่าวันห้ามข้อห้ามมือคาก็ไปว่าวันที่มีข้อห้ามวันที่จะไม่เกาะกรรมทําเข้นเกาะเวนสร้างกรรมหยุดใช้แรงงานสัตว์หยุดการทําความชั่วทั้งปวงวันนี้ชําระ ส, ะสางจิตใจให้ดีให้งามวันนี้เว้นชั่วเป็นมือขลัง วันนี้ทำดีเป็นมือคําวันเวลานาทีทองวันนี้ชำระจิตให้ผ่องใสญาสีภาพไปหวัดหมื่นเป็นม้วนสินเวียกเข้าซอยยาสีภาพไปไหวยงาคู่สังคลาดไปตักบาตรยาหนามฟังเจ้าเทศสนะรวมกันครบวงจร คำสอนต่อพุทธเจ้าสัพปาปัสสะอัการนังเว้นจากการทำบาปทั้งปวงนี่คือวันคลังคลังไปว่าเว้นจากการทำบาปมันสิบาปจะไปเฮ็ดมันบดเถือกบดตองวินาากินหัวเนี่ยภาษาง้อภาษาเลา่ามันสิบาปลู ก, ลกลเอ้หลานเอ้วิน่าตีกินหัวเฮ็ดบดเถือกเฮ็ดบดต้ตองคลังจังสันจะไปเฮ็ดพอเมาอา่าเข้านซอนพนบวให้เข้าเฮ็ดนี่ นั่นแสดงว่าสภปา ป, าปะสักการะนังเว้นจากการทำบาปทั้งปวงกุสลสูประสัมปทากระทำแต่คุณงามความดีให้ถึงพร้อมตรงนี้ก็หมายถึงว่ามื้อคํำวันเวลานาทีทองที่จะทำคุณงามความดีทุกอย่างตักบาตรหยาดน้มทำบุตสุดท้าย ไปทักบาจานา้ำฟังเจ้าเทศนาะฟังพระทรงองค์เจา้าท่านแสดงพระธรรมคำําสั่งสอนอันเป็นไปเพื่อความดับทุกข์สะพัทุกข้าปนูทนังเพื่อบรรเทาทุกทั้งปวงทุกนั้นเกิดมาจากการทําบาปทุกเกิดมาจากการทําชั่วทุกเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นทําดีก็ทุกแบบดีถ้ายึดมั่นถือมั่นดีมันกัดเอาดีมันขบเอาบ้าดีมเม า, าดี นักปาดเมาตำลาทายกเมาบุญนักปาดเมาตำลานักวิปัสนามิปัสนาเ ม, มาทำเป็นว่าเป็นบอปมปมเปอระเป อ, เ, ปอเกิดมาจากไม่ส จ, จิตปริโยธาป น, นังคือไม่ชําละเจ็ดให้ฟองใสจิตจะฟองใสไร้มนถินต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจสัมมาทิฏฐิสัมมาทันังสัพพทุขัางอุปจักุ้ง ถึงพร้อมด้วยความเข้าใจอย่างถูกต้องในสิ่งทั้งหลายก็จะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงไอ้ตรงนี้แหละที่เรียกว่าไปตักบาดรญาติฟังเจ้าเทศนาฟังเทศนานั่นแหละคือส จ, จิตตปรโยธปัญญ์ทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสด้วยความรู้ความเข้าใจต่อสิ่งทั้งหลายทั้งโลกกระทัดความเข้าใจต่อโลอกต่อชีวิตต่อธรรมชาติกฎของธรรมชาติ ตามปริบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติจะได้พ้นออกมาโกฎของธรรมชาติคือสิ่งที่ทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีสิ่งใดเป็นไปตามใจเราแต่มัน็จะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันถ้าเราไม่เข้าใจโกฎของธรรมชาติได้มาเราก็ดีใจเสียไปแล้วก็โศกเศร้าเพราะหลงเข้าไปยึดไปป้นเอาธรรมชาติมาเป็นของเรา เรามีเราผูวเราทรัพย์เราสมบัติเราความจริงมันเป็นของธรรมชาติลูกก็ไม่ได้ไปเชิญเขามาเกิดในท้องเวลาเขาจะตายก็ไม่ได้เชิญเขาตายไม่ได้บอกลาสักหน่อยตายไปเลยหัวก่อเมือนกันเมียก็อเมือนกันเกิดมาคนละทิศละทางมาพบ ก, กันใหม่มาล่มท้ายจมหัวเป็นเมียผัวในครูห้าเมียอายุอยู่อีกแสนล้านปีจะพัดผาาจากกันอยู่ดีด วันดีคืนดีก็ล้มหายตาจากกันไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะแต่ละคนก็หายใจงับเงียบเงียบเงบชีวิตเหมือนจุดตะเกียงไว้ท่ำกลางสายลมท่านทั้งหลายลองหลับตาคิดดูว่าจุดตะเกียงจุดเทียนไว้ท่ำกลางสายลมลมพัดมามีแต่จะมอดเอามือป้องแล้วป้องอีกไว้หมอดโนอหมอดโน่ฉัน <c oughs> หมดอดีนีสับนะ ที่นี่เราก็เหมือนชีวิตเหมือนจุดเทียนไว้ท่ามกลางสายลมมีแต่จะมอดมีแต่จะตายโว้ยหิวคือสิตายเนี่ยพระว่าอ๋อเอ้นนเอสเบคือสิตายนี่ยพระว่าอีกละคะนี่มีแต่แนว่ลสิตายเนื่อยก็คือสิตายนีมีแต่แนวสิตายปวดขาคือสิตายเนี่ยพว่านั่งสมาธิดนะว่ามีแต่แนวสิตายนั่นแหละอันสิตายเนะี่ยเหมือนเทียนมันจะมอดลมพัดมา ตลอดทุกทิศทุกทางเลยป้องอยู่หายใจเข้าแล้วก็รีบหายใจออกหายใจออกแล้วรีบหายใจเข้าเข้าแล้วไม่ได้ออกก็จะตายอีกออแล้วไม่ได้เข้าก็จะตายอีกกินเข้าไปเต็มท้องทายไม่ได้ทายออกก็จะตายอีกเดี๋ยวไปหาหมอสวนทายออกแล้วไม่ได้กินเข้าไปอีกก็จะตายอีกหวมีแต่แนวสะตายตัวนั้นเพราะนั้นจะมาถือว่าเป็นของเราได้อย่างไร ลูกเราพ่ะมีเราพวะ่าหัวข่อยพ่อว่ามานั้นม่นเป็นของไผ่บานมันเป็นไปตามกฎของธรรมาชาติถึงเวลาเจ็บมันก็เจ็บถึงเวลาตายมันก็ตายได้มันมาแล้วก็่าดีใจมากนักเสียไปะะก็จะไปโศกไปเศร้าเตรียมใจไว้ตั้งแต่ก่อนยังไม่เสียยังไม่หายยังไม่ตายจากกันว่าวันหนึ่งเราจะต้องพัดภาคจากกันนะอมบอกให้เข้าใจอย่างนี้ยวันหนึ่งเราจะต้องผัดภาคจากกันนะ สามีภรรยาเข้าใจกันดีๆตอนยังน่มยังสาวเป็นผัวเป็นเมียกันแต่อย่าลืมวันพระวันจ่าวสามีเดินหน้าภรรยาเดินลังถ้าขี่รถมอเตอร์ไซค์สามีขับทั้งหน้าภรรยานั่งซ่อนท้ายทั้งหลังไปทําบุญสุนทรทัณน์นำกันแล้วเว้ยเตรียมตัวที่จะไปโศกประห ล, ลงงับแงบดับคันไปวันไหนเราไม่รู้เขาเห็นนั่นเนี่ยคอนโบราณจึงให้รู้จักคุณค่าของวันพระ วันพระของคนโบรนาณทำงานปฏิบัติคุณงามความดี ค, ดคบปองจรที่บอกว่าสภาปาปัสะาการะนังเว้นจากการทำบาปทางปวงมึงขลาได้อย่าไปทำบาปทำกรรมอย่าใช้แรงงานศรัทธาวาสิ่งมันจะได้ตีได้ค่าจะเพิ่มโมโหโกธาขึ้นมาอีกสัลลสูปสัมปธาทำแต่ความดีทุกประการมือนี่เป็นวันสินเวียข่องสวย ญาเสภาพไปไหวา้าคู่สังฆล่าไปทำปบัพต์ตักบาตรหยาดหนาวฟังเก้าเทตนาส จ, จิตตปรโยธปนังชํมละจิตให้ฟองใสชํมละจิตใจด้วยพระธรรมคําสัง่งสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ดับขันปริญิพ า, านเป็นนานแล้วพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นธงชัยผู้เป็นตัวแทนทางศาสนาแสดงทำให้ฟังไม่ได้ไปวัดนอนฟังวิทยุทุ่ทีบ้าน ทำงานฟังบังก็ได้ทำให้จิตใจสบายมองโลกให้มันถูกต้องชัดเจนจะเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วจิตมันก็จะห่องใสแต่นี่มันเป็นทุกข์เพราะว่าไม่เข้าใจนอกจากไม่เข้าใจแล้วก็มืดมนทำบาปทำบุญวนไปเวียนมาขึ้นตาวันตกนาลกอยู่ตรงนี้ไม่รู้จักจบจากสิ้นกันดอกเพราะนั้นเมื่อเข้าใจธรรมาชาติเข้าใจ กฎของธรรมชาติก็รู้จักปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎตามเกณฑ์ของมันเราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องมันไม่เที่ยงอย่ามายึดมาเป็นของเรามันไม่ได้ดังใจมันอยู่ไปตามเหตุตามปัจจัยมันเป็นทุกข์อย่าหลงเอามาไว้เป็นความทุกขหลังจากนั้นมันเป็นไปตามอำนาจเราไม่ได้ไม่ยอมเป็นไปตามอำนาจของธรรมชาติเหตุปัจจัย รู้จักปล่อยรู้จักวางได้มาไม่ดีใจเสียไปไม่โศกเศร้าถ้าอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจต่อชีวิตต่อสังคมอย่างไม่มีความทุกข์ต่อโลกต่อธรรมชาติทั้งหลายได้มาแสนล้านก็ไม่ได้ไปดีใจอะไรหมดไปก็ไม่ต้องไปโศกเศร้าอะไรเพราะเตรียมใจไว้พร้อมแล้วในโลกนี้ไม่มีอะไรตามใจเรา สิ่งที่เราหัวเราะกับมันวันนี้ทางโง่กับมันจะร้องไห้กับมันในวันหน้าสิ่งที่เราร้องไห้กับมันอยู่ในขณะนี้เพราะเราโง่กับมันเราเคยหัวเราะชื่นชอบชื่นใจกับมันมาแลว้วเพราะนั้นเราจะต้องเข้าใจอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็ครบวงจรตจิตประโยชน์ปัญญ์นำชำละจิตให้ป่องไซเอตังพุทธานาซ่าสนังนั่นแหละเป็นคําสั่งตอนของพระพุทธเจ้าทางหลาย อาวันนี้ค้นมาเกาะตะลิดเปิดเปิงไปเลยตั้งใจจะตอบปัญหาทางสถ า, านีวิทยุเนื่องจากว่าจดหมายมาในบริเวณรอบๆขอบเขตมนทนสกลนครนครพนมหนองคายมุกดาหารรอบๆนี่แลละก็เขียนมาบางคนก็จ่าหน้าซองถึงตนเองใส่กระดาษมาด้วยขอให้หลวงพ่อตอบด่วนเนี่ยมีปัญหาโอ้ยขอ อนุโมทนาสาธุการแล้วก็ต้องขออโหสิมันไม่มีเวลาถึงขนาดนั้นดอกลูกเอ๋ยล้านเอ้ยที่จะต้องตอบจดหมายให้แก่พวกเราทุกๆคนหายเวลานั่งมับลงมาเขียนหนังสือตอบจดหมายเนี่ยไม่วาดไม่ไหววันหนึ่งจดหมายเยอะแยะตั้งแต่เนื้อจดใต้ตั้งแต่ใต้จดเนื้อจดไมฝรังก็มีนี่เขียนมาตั้ง ห้าใบกระดาษผู้สแกนฝรั่งก็เขียนมากมายกลายกองอันนี้ก็ขอให้ตอบอีกเป็นส่วนตัวล้วนแต่เป็นปัญหาธรรมะทั้งนั้นเพราะนั้นบางฉบับเีจะต้องตอบเป็นส่วนตัวถ้าจดหม้ต่างประเทศเขียนมาถามมาก็ต้องตอบเป็นเทปบันทึกเสียงภาคฝาภาษาฝรั่งส่งกลับไปอันนี้จดหม้ในรอบนอกๆนี่ ขอตอบทางสถานีวิทยุเพื่อเป็นการประหยัดเวลาจะตอบให้ทุกๆคนเขียนใส่ในกระดาษแล้วส่งไปไม่มีเวลาดอกลูกเอลานเอ้ยงานมันมากมาไกลกองการทำงานให้ศาสนาคนน้อยศาสนาวุทธของเราคนน้อยคนมากก็เหมือนคนน้อยผู้ที่จะทำงานด้านนี้ตรงๆตอบปัญหาธรรมะเทศนาแนะนำาั้ตอน นอกจากพูดให้ฟังจะต้องมาทำกันให้ดูจะต้องอยู่กันให้เห็นนี่เวลาไม่พอลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยพุทธบริษัททั้งหลายเอ๋ยจึงขอใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ตอบทางสถานีวิทยุต่างให้คนอื่นได้ยินได้ฟังบางท่านอาจจะมีปัญหาอย่างเดียวกันเขียนมา ถึงหลวงพ่อตอนนี้เป็นหลวงพ่อแล้วสาธุอนุโมทนาดีมีลูกวิลาณเยอะแยะแล้วเขาว่าหลวงพ่อนี่ทำให้มีความรู้สึกว่าบัดนี้เราก็ใกล้าตายเข้าไปทุกทีแล้วชาวบ้านก็เรียกเป็นพ่อกันหมดแล้วเยอะแยะเลยจดหมายที่เขียนมาเนี่ยถามมาส่วนมากจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสมาธิภาวนา บอกว่ารู้สึกจะเป็นแม่ชีก็ได้นะเนี่ยบอกว่าลูกได้ตัดสินใจบวชในพระพุทธศธาสธนาแก้ปัญหาไม่ตกจึงจึงทำให้เป็นผลของการบวชของลูกไม่เดินหน้าเลยมีแต่พะวงสงสัยอยู่ตลอดเวลา ล้ ว, วงว่าหลวงพ่อคงให้ความกระจ่างเหมือนครั้งที่ผ่านมาตอนไปปฏิบัติธรรมถ้ำพระทำให้ลูกได้ตัดเส้นใจโกนหัวปวดเป็นชีไม่ได้ถึงทุกวันนี้การปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่แต่ละครั้งก็มีคนมาอบรมปฏิบัติธรรมด้วยมากๆหกร้อยเจ็ดร้อยบางแห่งก็เป็นพันมันหลวงพ่อก็เลยไม่สามารถจะจดจำจะรู้จักทุกผู้ทุกคนหลอกลูกหลานเอ๋ย แต่ก็เอาเธอมีจดหมายมีปัญหาอะไรก็เขียนมาถามหรือบางทีถ้าปัตตนาเทปที่บรรยายนี่ก็จดหมายมาขอเป็นการตอบปัญหาอยู่ตลอดการแต่จะให้ตอบส่วนตัวนั้นมันไม่มีเวลาโลกหลานเอ๋ยเมื่อออกปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่อบรมสมาธิภาวนาในที่ต่างๆก็จะมีคนบวชไม่น้อยเลยแต่ละงานเนี่ย บางคนบวชแล้วก็เขียนจดหมายมาบอกว่าได้ไปอบรมตรงนั้นตรงนี้มีความเลื่อมใสสตาในพระพุทธศาสนาเข้าใจมากขึ้นอดไม่ได้ทนไม่ได้ก่าบวชสาธุอนุมโมทนาถ้าหากสามารถทำให้ท่านต่้งหลายได้เดินทางเข้ามาสู่เส้นทางแห่งธรรมชีวิตเรานั้นเกิดมาเป็นแสนชาติเป็นโกรธ ก, กบและลูกเอ้ยลานเอ้ย อย่าได้มีความสงสัยอะไรอีกนักหนาเลยบางคนเข้ามาบวชแล้วก็สงสัยสงสัยในเรื่องคาระวะว่าคงจะดีจะงามยังไม่สงยังไม่หายสงสัยถ้ามันไม่หายมันก็จบกันไม่เป็นแลความจริงนั้นชีวิตเราเหมือนกับการเดินทางลูกหลานที่ได้ฟังเทศฟังธรรมพ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็ดีที่ไปอบรมแล้วเกิด มีความรู้สึกอยากบวชจนได้บวชนั่นก็ดีแสดงว่านั้นท่านก็ได้เดินทางชีวิตท่านก็เปลี่ยนเส้นทางจากความเป็นคาราวะมาสู่ความเป็นนักบวชเส้นทางทรายนี่มันไม่จบลงง่ายๆจะมีขวากมีน้ำจะต้องบุก ป, ป่าฝ่าตรงคางที่จะไปข้างหน้าคือจุดมุ่งหมายปลายทางคือพันิพานยังไกลและเราได้เดินมานี่ก็นับไม่ถ้วนเป็นซืแสนชาติเป็นโกรธกับยัได้สงสัยเลย พระผู้ได้จ่าทั้งเก่า ว, ว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายเพราะแต่สงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นทำกลางที่สุดเราและเธอทั้งหลายได้เกิดมาแล้วได้ตายมาแล้วเป็นอเนกชาตินับประมาณไม่ได้ไม่มีใครจะนับได้เพราะอาวิชชาเป็นเครื่องตั้นตันหาเป็นเครื่องผูกพันเอาไว้ความไม่รู้จักเป็นเครื่องตั้นกลางปิดม่านบังตา ความภูพันด้วยกิเลสตันหาแต่เยอทะยานอยากนันมันจึงมีเครื่องกัน้นมีเครื่องผูกกั้นไว้ไม่ให้ก้าวหน้าไปข้างหน้าผูกพันไว้ไม่ให้หลุดรอดออกไปชีวิตจึงอยู่ในวังวนอยู่ในวงจรแห่งวัฏสงสารเมื่อใดเราได้ฟังธรรมของสัตบุรุษได้ฟังธรรมของพระอริยะเจ้าได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นเราก็จะมองเห็นเงื่อนปม ของชีวิตคืออวิชชาที่กั้นไว้ปัญหาที่โขกพันไว้เราจะเห็นหนทางออกจากมันก็พยายามตะเกียกจะตะกายที่จะออกจากสังสารวัตรมีอันไม่มีเบื้องต้นทําการที่สดุดพระพุทธเจ้าของเราท่านเปรียบว่าแต่สงสารวา่าเมื่อใดเราได้เห็นเศรษฐีมหาศาลเมื่อใดเราได้พบกษัตริย์ มหาศาลผามหาศาลผู้รุ่งเรืองด้วยโพคะบริโภคกามารมอันปราณีตอันละเอียดอ่อนแม้โพคทรั์นั้นกามารมนั้นจะเป็นทิพย์บนสวงสวรรค์ก็ตามท่านจะได้ชื่นชมกินดีผู้เป็นภาษาบ้านเราว่าจะได้อ่อนซอนมันเลยเพราะว่า ท่านพึงสรุปลงไปได้เลยว่าแม้เราเองก็เคยมีเช่นนี้เคยเป็นเช่นนี้มาแล้วในบางชาติในบางชาติเราเคยร่ำรวยในบางชาติเราเคยเป็นเศรษฐีในบางชาติเราเคยเป็นแม้กระทั่งกษัตริย์และในบางชาติเราก็เคยขึ้นสวรรค์ดูก่อนท่านผู้ปรารถนาที่จะออกจากทุกข์เมื่อใดท่านได้พบเห็น คนยากจนคนแค้นถือกระเบื้องคอทานคือกระบานขอข้าวคนพิ ก, รพ ก, การตาบอดหูหนวกง่อยเปียเสียขาขี่ทูดกุดถังทุกยากลำบากท่านอย่าพึงรังเกียจรังงอนท่านพึงสรุปลงไปได้เลยว่าแม้เราเองก็เคยเป็นเช่นนี้มาแล้วในบางชาติในอดีตชาติ เพราะว่าแต่สงสารอันไม่มีเบื้องต้นทำกลางที่สุดนั้นเราได้เกิดมาอย่างนับประมาณไม่ท่วนแล้วเพราะเหตุนั้นชาตินี้ก็อย่าได้สงสัยเลยถึงความร่ำรวยถึงความยากจนแม้เราเองก็เคยเป็นคนตาบอดหูหนวกมาแล้วชาตินี้มีบุญมีวาสนานักที่ตาไม่บอดหูไม่หน่วง ชาตินี้มีบุญมีวาสนาหนักที่ได้เกิดมาพบแผ่นดินอันประเสริฐอริยยตนะมาปัจจาชาโตทุลพโโลกสมิงท่านได้เกิดมาพบอริยชาติอริยะแผ่นดินที่มีศาสนาของพระพุทธเจ้าอันประเสริฐท่านได้เกิดมาพบผู้แนะนําพร่มสอนคำตั้สอนของพระพุทธเจ้ายังไม่หมดไม่สิ้นไป สถานคาตปเวทิตัสะเทเซตาทุลภาโลกสาส밍ท่านได้เกิดมาพบบุคคลผู้แสดงพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เราเข้าใจยังมีอยู่ทุลโพโลกาส밍เป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากถ้าหากท่านไม่มีบุญท่านจะไม่พบสิ่งเหล่านี้เลยท่านจะได้น้อย อ, อกน้อยใจจะได้สงสัยควรจะตักตวงผลประโยชน์ บุญเก่าปูลานั้นจะปุ่นอย่างบุญที่ท่านได้กระทำมาในอดีตจึงได้เป็นอย่างนี้จงได้เพิ่มเติมบุญอันนี้เข้าไปอย่าได้เบื่อหน่ายอย่าได้ทอ้อถอยทานเกิดมาอินทริยานิเอเวกัลตาทุลภาโลกเสมิงมีอินรียครบท้วนตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่เสียอวัอยวะองค์ะเป็นกายวิปลตจิตวิปลาจเป็นคนพิกลพิ ก, การ อชาชะลตาอนเนละโมคตาทุลภาโลกามิงเกิดมาไม่เป็นคนใบบ้าปัญญาสามน้ำลายไหล ย, ยืดจากเป็นคนไม่พอบาดปั่มปั่มเปอเปนั่นก็เป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากด้วยบุญโดยกุศลที่ได้สั่งสมมาสุดท้ายอันเดียวที่ท่านจะต้องเพิ่มเติมเพื่อให้บุญใหม่เกิดขึ้น กุศลธรรมฉันโถจงพอใจในกุศลธรรมฝักใยขวนขวายใยคว้าหากุศลธรรมคุณงามความดีอันเป็นสิ่งหาได้ยากในโลกนี้พอเหตุนั้นจะได้สงสัยเลยที่บอกว่าจะบวชต่อไปหรือจะศึกออกไปถ้ามีโอกาสบวชอยู่ได้โดยอุบายใดๆก็ตามจงพยายามก้าวหน้านในเส้นทางนี้เถอดถ้าหากมันเป็นปัญหานัก จะสึกออกไปมันก็ไม่เสียหายอะไรเราลาแต่เพียงสินแปดถ้าจะสึกออกจากชีเราลาแต่เพียงสิน 10, สิบสินแปดแต่เราไม่ได้ลาทำอริยะไยยธรรมอันประเสริฐศถาสินจากะปัญญาโตตปติยังขธรรมอันประเสริฐเราสมทานเรารักษาเราเสกไว้อย่างดี ในสมัยพุทธกาลหรือสมัยนี้ก็าตามเชื่อว่าอาริยบุคคลที่อยู่ในบ้านในเรือนยังมีอยู่โสดาบันสกิทาคามีแน่นอนที่เป็นขารวาสที่เป็นพระก็ยังต้องมีเพราะเหตุ น, นั้นถ้าหากว่ามันมีปัญหาในการบวชมีปัญหาในเรื่องครอบครัวในเรื่องรูปครัว ่อเสกได้ไม่ต้องนอนร้องไห้ปฏิบัติธรรมด้วยความทุกข์อย่างนั้นนางวิสาขามหาอุบาสิกานั้นเป็นบุคคลที่มีบทบาทมากในสังคมช่วยเหลือพระพุทธศาสนาในแคว้นโกนศลเบืองสวัสดีนางทั้งเป็นคนมีคนรวยทั้งเป็นผู้มีลูกมากถึงยี่สิบคนอายุกยืนตังร้อ1ยี่สิบปี นางก็บรุโซดาบันทั้งๆที่มีผัวมีลูกมีเต้าพระชาพิมพิสารอนาทาบินเทกะเษธีหมอชีวโกโมาลพัทเหล่านี้เยอะแยะไปหมดเลยที่เป็นพระอริยบุคคลชั้นโซดาบันอย่างของบ้านของเรือนหรือขนาดว่าคติการะช่างหม้อนั้นเป็นถึงอนาคามี ไม่ได้บวชดอกอนาคามีเหรือนิดเดียวที่จะเป็นว่าอหารหัน์เนื่องจากมีเหตุปัจจัยบางอย่างที่ให้ยังหยุดต้องอยู่ในบ้านบวชไม่ได้เพราะว่ามีภาระที่จะต้องทําคือการเลี้ยงดูแม่ตาบอดแม่ที่ตาบอดนั้นลูกก็เลยต้องเลี้ยงแต่ถ้าบวชแล้วก็ไม่ควรศึกออกไปสําหรับผู้ที่มีพันธะเพียงแม่เพียงพ่อพระพุทธเจ้าอนุญาต ให้พระสงฆ์ผู้ที่มีสถามั่นคงในการประพฤติทำพ่อแม่ลำบากยากจนไม่มีใครเลี้ยงดูท่านอย่างอนุญาตให้วินทบาทมาเลี้ยงพ่อแม่ได้ปูกระท่อมให้พ่อแม่อยู่หาเก็บเศษผ้ามาซักมาล้างมาย้อมเอามาเย็บให้พ่อแม่นุ่ง อยู่กินไปวันๆถ้านให้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่โดยการแสดงธรรมชักนำจิตใจพ่อแม่ที่ไม่มีสถาไม่มีสินไม่มีจาคะไม่มีปัญญาให้พ่อแม่มีสถามั่นในสัตนามีสินควบคุมกายวาจามีจาระสละกิเลสส่วนที่จะก่อให้เกิดโทษเกิดทุกข์ที่จะนำไปตกนรกมีปัญญาเห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับเข้าใจโลกเข้าใจธรรมชาติกฎของธรรมชาติ สามารถทำให้พ่อแม่เข้าใจมีคุณธรรมสีประการนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าบุคคล น, นั้นเหมือนนําพ่อแม่ของตนประดิษฐ์ฐานมั่นไว้บนสวงสวรรค์ปิดประตูอบายให้แก่ท่านไม่มีโอกาสตกเปิดประตูสู่สวงสวรรค์นิรันดร์การอย่างช้าอย่างนานที่สุดก็เจ็ดชาติพ่อแม่ก็จะพ้นจากทุกข์หมายคือว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์อันนี้ตอบปัญหารวดเลยหมายคือว่าถามว่าจะบวช ด, ดีหรือจะ สึกออกไปเล่าเรื่องปัญหาต่างๆซึ่งก็ไม่ขอตอบในจะนี้เป็นปัญหาส่วนตัวไม่ขอเอามาออกอากาศให้แต่อย่างไรก็ตามมีคำถามซ้อนเข้ามาอีกว่าการเข้าสมาธิแล้วลรึกชาติดาจริงเ ท, ท็จแค่ไหนลูกมีสิทธิทำได้ไหมซึ่งเหล่านี้เป็นโลกียะอภินยาเป็นสาธารณะ ทุกคนมีสิทธิที่จะทำได้บางคนยังไม่มีสมาธิก็ยังละลึกชาติได้ตายแล้วถ้ามันมันมันตายปั๊บตรงนี้ก็ไปเกิดตรงนั้นขอยเข้าใจว่าร่างกายนี่มันไม่ไปเกิดนะจิตจิตวิญญาณที่ยังมีกิเลสตัณหาเหมือนมเมล็ดพืชที่ยังมียางเมื่อลดลงจากต้นแล้วนั้นคือมันตายจากต้นแม่ของมัน ในความตายของมันคือมันหล่นจากต้นแม่ของมันมันก็ซ่อนเอาความเกิดคือชีวิตไว้ในมเมร็ดของมันมะละนัตธมโมหิชีวิตเอความตายซ่อนอยู่ในชีวิตทุกๆชีวิตที่เกิดมาชีวิตตธรรมโมหิมลเนชีวิตก็ซ่อนอยู่ในความตายทุกๆชีวิตที่ตายไปแต่เมื่อใดหมดกิเลตันหาอันเสียบเสมือนอย่างเหนียวเหนียว ชีวิตนั้งก็หลุดออกไปจากสังสารวัติวิญญาณนางอัตทั่งกระมาคมาวิญญาณไม่มีที่ตั้งแอบเองอาศัยณอิทะโลเกณะประโลเกอุปธยิสสามีไม่ยึดมั่นโลกนี้ไม่ยึดมั่นโลกไหนตรงนั้นใครก็ตามหาไม่พบแม้แต่พยามารเป็นเรื่องประจักตังเมื่อมเมล็ดพืชยังมีเยื่อใหญ่อย่าหล่นลงไปในดินที่มีอุณหภูมิความร้อนความหนาว มันก็เกิดขึ้นปฐวีและสัญจาอาคามะสเนหันจะตะทูพยังอาศัยรถแห่แงแผ่นดินและเชื้อในอยางแห่งพืช น, นั้นๆพืช น, นั้นก็เกิดขึ้นยะถาหิอัญญตาลังพิชังเคเ ต, เตเวุตังวิลูหติเปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หลดลงแล้วในพื้นแผ่นดินก็จะงอกขึ้นได้ตันหาสิเนโหตันหาเป็นอย่างเหนียวของจิตใจ เมื่อชีวิตยังมีสเสนหาลูกเล่ามาว่ามีมีปัญหากับลูกบ้างกับผัวบ้างเรามาบวชมาเป็นห่วงลูกเป็นห่วงผัวนั่นแหละคือยางใจนั่นแหละคือสเสนหาภาษาไทยเราเรียกว่าสเสนหาความจริงเป็นภาษาบาลีแปลว่ายางยางในใจรักก็เป็นสเสนหาชังก็เป็นสเสน่หาถ้ายังรักยังชังอยู่ ก็ยังมีโลภมีโกรธมีหลงตายไปแล้วจิตใจนี่ก็ยังมีเชื่อในอย่างเอวังขันธาจะธ า, าตุโยชาจะอายตนาอิเมขันธ์ทั้งห้าธาตุทั้งหลายอายตนาทั้งหกก็เหมือนกันให้ตุงปฏิจจสมภูตาให้ตุพังคาในรุจเลสอาศัยเหตุคือยางคือกิเลตันหาก็เกิดขึ้นได้เมื่อเมื่อเหตุมันหมดไปมันก็หมดไปมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะนั้น บางคนตายแล้วยังไม่ได้ไปขึ้นสวรรค์ยังไม่ได้ไปตกนรกก็ไปเกิดไปเกิดปับ๊บวันดีคืนดีจิตใต้สํานึกความตรงจําในอดีตก็โผล่ขึ้นมาเด็กตัวเล็กเลกสี่ขวบห้าขวบก็ระลึกชาติได้บางคนกลับไปบ้านไปช่องอ้อนวอนพ่อแม่ในปัจจุบันให้ไปหาพ่อแม่แต่ก่อนๆไปมันจำได้มั้ยมีเยอะแย ะ, ยะไป แต่อย่างไรก็ตามถ้าการเข้าสมาธิแล้วเราลึกชาติได้จริงเท็จแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องจริงหลักฐานในพระไตรปิฎกเปือนกล่าวไปหมดเลยถ้าลูกอยู่ในวัดก็ลองไปอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่เก้าทีค้าในกายศิลขันธวัชทั้งเล่มเมื่อจิตใจมีสมาธิรุ่มนวนควรแก่การงานเธอก็ย่อมโน้มน้นาวจิตไปและลึกชาติบุพเพนิวาสานุสติญาณและลึกถึงที่อยกูกเก่าได้ไม่ต้องโน้มน้าวไปมันก็ และลึกได้ของมันเองถ้าผู้ใดเคยจเจริญสมาธิภาวนาบ้างพอจิตใจเริ่มสงบมันจะลำลึกนึกถึงความหลังซะก่อนที่จะคิดไปข้างหน้าตอนที่มันยังไม่สงบมากนีมันก็คิดวุ่นวายไปข้างหน้าวอกแวกแต่พอเริ่มจะสงบมันเริ่มคิดถึงความหลังครั้งอดีตโดยเราลืมมันไปบางทีสิบปียี่สิบปีบางทีไปจนถึงเล็กๆไปจนถึงตัวน้อย นอนอยู่ในเปนอนนอนอยู่ในอูพ่อแม่ไปช้อนกุ้งซ้อนซิวมาให้กินเจ็บไข่ได้ป่วยอยู่เที้งไรเที่ยงนาต้นไม้ต้ตไนตไายมันจํามาได่มอดเรานึกว่าเราลือ น, นั่นแหละคือคําว่าปุเพนิวาสานุสติญาณอย่างห ย, ยาบหยาบปุบเพแปลว่าแต่ก่อนนิวาสะที่อยู่สาพรอ้อนุสติตามระลึกญาณรู้ เพเภิวาสานุสติญาณตามและลึกรู้จากที่อยู่เก่าๆถ้าจะแปลตามตับมันจะว่าอย่างนี้แต่ที่นี่มันยากมากมันมั น, ม, น, ม, นมันพูดยากลําบากมันหลายคําก็เลยพูดง่ายๆว่า ล, ลึกชาติคนหลังได้เพราะฉะนั้นลูกก็มีสิทธิทาได้แต่มีสมาธิมากๆก็สามารถย้อนคิดเรื่องมาาเมื่อวานเรื่องวานซื้อเรื่องเดือนก่อนเรื่องปีกายย้อนไปย้อนไปย้อนไ ป, นไปจนถึงเด็กๆ หลังจากเด็กๆเลยถ้าสงบมากมันจะย้อนไปข้ามพบข้ามชาติเคินไปหน่อยบางครั้งเราอาจจะเคยฝันเมื่อเมื่อเรานอนหลับไม่มีกังวลหลับสนิทเราอาจจะฝันเห็นบ้านช่องห้องหอที่ยังไม่มีรถไม่มีเรือไม่มีถ น, นนหนทางไม่มีสังกสีมุงหลังคาไม่มีไฟฟ้าเป็นป่าดงพงไผ่มีช้างมีม้า ป่าเขาลำนาวัยเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นแต่เราเห็นในฝันและเป็นคนที่เราเคยรู้จักเป็นพ่อเป็นแม่ผิดนกนั่นแหละ state sub, สเตทออฟซับค s ส i สไพจิตไรสำนึกที่มันเก็บไว้ซ่อนอยู่ลึกๆเหมือนภูเขาน้ำแข็งใต้ทะเลมันโผล่ขึ้นมาเอาเป็นว่าผ่านไปเวลามันจะหมดต่อมาการที่เทพมาส่งร่างคนมันเป็นจริงเท็จแค่ไหน อันนี้ก็เป็นคำถามข้อที่สองเรื่องเทพเทอบมาทรงเข้าทรงร่างของคนนั้นเป็นเรื่องจริงเ ท, ท็จแค่ไหนส่วนมากเทวดาจะเหม็นสาบมนุษย์ไปไกลถึงร้อยยอดจ้าง ก, ก็ไม่มาเข้าทรงหลอกลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยมีแต่กิเลสนั่นแหละมาทรงร่างมนุษย์มีแต่หลอกลวงกันทั้งนั้นคอยเข้าใจไว้สักก่อนเทวดานั้นเหม็นสาบมนุษย์ ไกลไปตั้งร้อยยธินสาบต่างมนุษย์เนี่ยเมนในเรื่องอพระพุทธเจ้าท่านท่านแสดงธรรมเรื่องต่างๆอย่างในเทวสังยุตเทวดาสังยุตเทวปุตสังยุตสังยุตตานิกายอย่างนี้ไปเปิด อ, อ่านดูพระไตรปิฎกเล่มที่หนั่นเกลนไปหมดเทวสังยุตเทวดามหาพระพุทธเจ้ามันก็อยู่ไกลๆเอมันทิตาโข ือที่บอกว่าอุปสรรกรรมิตวาพระกวันณตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอธัสสินีภาษาบาลีวัยี้นะบอกว่าเทวดานั้นเมื่ออภิวาทพระบูมีพระภาคเจ้าถาวายบังคมพระบูมีพระภาคเจ้าแล้วก็ได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งไม่ได้มานั่งใกล้ๆนะไปยืนอยู่ไกลๆห่างๆเ ข, า, ขาเม้นษามนุษย์แต่เขาหอมกลิ่นศีลเท่านั้นเอง กลิ่นของผู้มีศีลแม้แต่ตัวคนนั้นจะเหม็นสาบแต่กลิ่นศีล น, นั้นหอมทวนลมให้เทวดาอยากกราบอยากไหวเมื่อมาใกล้ๆทั้งหอมกลิ่นศีลทั้งเหม็นกลิ่นคนก็ยืนอยู่ห่างๆจึงมีคํากล่าวเตือนไปหมดบอกพระพุทธเจ้าว่าดูความทิ่สุนัขหลายเมื่อคือราตีปฐมยามล่วงไปแล้ว มีเทพบุตรตนหนึ่งมีวันนะอันงามยิ่งนะักยังประเจดตะวันทั้งสิ้นให้สว่างสวายเข้าไปเฝ้าเราพระภูมิภาะเจ้าประทับครั้นแล้วถวายบังคมพระภูมิภระเจ้าแล้วยืนอยู่ที่ควรส่วนข้างนั้นยืนแล้วทำอะไรถามปัญหาประกาศเชื่อเสียงของตนประกาศเสสินโนจะพิคุโนอนุซาสันติประกาศชื่อของตนบอกชื่อบอกเสียงเลรียงนามกับพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็ถามปัญหา เมื่อถามปาัญหาพระพุทธเจ้าตอบเป็นที่พอใจแล้วเทวดาเหล่านั้นก็ถวายบังคมพระภูมิภาคเจ้าก็ทำประทักศิณแล้วก็อันตราทานไปไม่ได้อยู่นานๆคือเมื่อพระพุทธเจ้าตอบเสร็จเรียบร้อยเทวดานั้นก็ถวายบังคมพุทธเจ้าเดินเวียนแล้วก็จากไปเอกัมมันตังทิโตโคกสโปเทวปุตโตปะวัโตสันติเกอิกกมังขาดังอภาสิเทวดานั้นก็กล่าวขาดห า, หา กล่าวขาดหาเมื่อพระพุทธเจ้าตอบแล้วทราฟังพอใจก็กล่าวขัดหาหลังจากนั้นเขาก็ประกระทำประทักษิณจากไปภะคะวันตังอภิวาเทตวาประทักขีนังกตวาตเถวันตรทายีติจำไว้ให้ดีแปลว่ากระทำอภิวาพระผู้มีภาคเจ้าแล้วกระทำประทักษิณ แล้วก็อันตรธานหายไปในขณะนั้นเองนี่ทวายบางคมพวกมีพระเจากก้าก็ทำประทักศิลแล้วก็อันตรธานหายไปเทวดานะั้นเขาเม้นษาบมนุษย์มากนะเขาไม่ได้มาใกล้ๆหรอกไอที่มาทรงร่างมนุษย์เทพเทพบ น, นเทพเกมานปอมนั่นแหละคือกิเลสทรงกิเลสทร ง, งจําไว้ให้ดีหึ <c oughs> ไม่เข้ามาใกล้หรอกคอใลูกอย่าได้ไปเชื่องงมงายอย่างนั้น ถ้าอยากจะให้เทวดาส่งเราก็ทำตัวเราให้เป็นเทวดาฮิริโอตปะสัมปนาสุขธรรมมาสมาหิตาสันโตสปริซาโลเกเทวาธรรมาติวุจเรเผู้ใดมีความอ่ายชั่วเก่งกลัวต่อบาปมีจิตใ จ, จสงบลังงับเว้นจากการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วบุคคลนั้นเป็นสัพบุรุษผู้สงบในโลกเป็นเทวดาเ่าเป็นเทวดาคืออาศัยธรรมะ ความอายชั่วกลัวบาปเข้ามาสิงสุดจิตใจอประการที่สามได้ตอบไปแล้วบอกจะบวชต่อหรือจะศึก <c oughs> ได้บอกตอบไปแล้วว่าดูฮามันเหมาะมันสมมีปัญหาจะศึกไปก็ได้ปฏิบัติทำได้ไม่เป็นปัญหาไม่ว่าจะบวชหรือจะศึก ปฏิบัติทําได้พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าทุกคนจงมาบวชแต่บอกว่าทำที่เราเก่าวดีแล้วท่านต่างร่างจงประพฤติทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกเธอดกระทาที่สุดทุกโดยชอบเถิดเพราเห็นนั้นอืมจะศึกก็ได้จะบวชก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมลูกเอราญเออย่าสร้างปัญหาให้แก่ตนเองพุทธสาวกพุทธสาวิกาย่อมรุ่งเรืองด้วยปัญญาถ้ามันมีปัญหาเรื่องลูกเรื่องผัว ก็สึกออกไปใจก็ยังปฏิบัติธรรมกายอยู่บ้านใจอยู่ที่ธรรมะก็ได้ในสมัยพุทธกาลมีลูกมีผัวมีมีอ่เป็นพระอริยเจ้าโสดาบันสกิทาคาอาณาคาอาวต่อมาข้อที่สี่การที่รู้เหตุการ์ล่วงหน้าเป็นผลของอะไรสมาธิหรือบางองิญนเป็นได้ทั้งนั้น ถ้าจิตใจของเราแจ่มใสเบิกบานบริสุทธ์ตั้งมั่นควรแก่การงานเป็นสมาธิที่เป็นสัมาสมาธิแล้วมันก็เหมือนน้ําที่ใสสะอาดเราส่องชะงโงกหน้าลงไปเราก็เห็นเงาอยู่ในน้ํนาเงาเงาเรามีในน้ํานั้นมันไม่ได้เป็นโดยบังเอิญบังเอิญก็บังเอิญเพราะว่าน้ํานั้นมีความใสถ้าน้ําขุ่นเราก็ไม่สามารถจะเห็นอะไรเลยจิตของผู้ที่มีสมาธิ บางทีเนี่ยแม้แต่ฝันล่วงหน้าเป็สิบปีก็เป็นความจริงพระพุทธเจ้าของเราท่านจะตัดสรุในคืนนั้นก่อนที่จะตัดสรุท่านชันข้าวมัทุปายาตท่านได้ดฝันความฝันของท่านสี่ประการห้าประการเป็นความจริงหมดได้ตัดสรุเพราะนั้นเราทั้งหลายนี่ก็สามารถจะรู้ล่วงหน้าได้เรื่องอนาคต คตยานอตีตัสยานเรื่องอดีตเรื่องอนาคตสามารถที่จะรู้ได้บางทีจิตเรามีสมาธิในขณะนั้นบริสุทธิ์แล้วถูกเหตุการณ์อื่นสะท้อนมาให้เห็นมันก็สามารถจะรู้จะเห็นได้โดยบังเอิญก็ได้ด้วยสมาธิก็ได้ ในสมัยพุทธเจ้าของเราท่านตรัสรู้ใหม่ใม่ท่านคิดว่าท่านจะไปเทศไปสอนใครเนอะใครเนาะจะเข้าใจหลักธรรมนี่มันละเอียดมันปานนี่ต้องอาศัยคนที่มีสมาธิมากๆท่านก็เลลึกไปเทวดาก็มาบอกท่านบอกว่าจะไปแสดงทําให้อาจารย์เก่าอาลาลดาบทอุทกาดาบทพวกเทวดาทั้งหลายก็บอกว่าท่านภูนั้นตายแล้วเมื่อคืนนี้ท่านภูนั้นตายแล้วเมื่อเจ็ดวันก่อนก็เลยช่วยอะไรกันไม่ได้ เพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็สามารถเป็นไปได้ข้อสุดท้ายการที่เราได้บวชเป็นบุญหรือเป็นกรรมเขาบอกว่าเป็นกรรมบางคนบอกว่าเป็นบุญบางคนบอกว่าบ้าบ้าเป็นบ้าในโลกนี้สิ่งที่ทำยากที่สุดคือบวชมีคนไปถามพระพุทธเจ้ามีคนไปถามภาษาลีบุตรนักบวชนอกศาสนา ช้ำพู้ขาทีกะไปถามพระสารีบุตรว่าในโลกนี้อะไรการยากที่สุดในโลกพระสารีบุตรบอกว่าการบวชยากที่สุดคนบ้าทำไม่ได้ต้องคนดีคนประเสริฐ จ, จึงทำได้ไม่ใช่ว่าขี้เกียจขี้ค้านแล้วไปบวชไม่มีบุญก็บวชไม่ได้อีกด้วยปารธนาจะบวชก็ยังบวชไม่ได้ต้องถือว่ามีบุญ อย่างหลวงพ่อที่พูดจุงนี้ต้องถือว่ามีบุญพ่อแต่ก่อนไม่เคยคิดอยากบวชเลยสักหน่อยเป็นคาราวา่าทำงานทำการเงินเดือนสามหมื่นสี่หมื่นก็ทำได้วันดีคืนดีแต่ก่อนเราไปเข้าคริสต์ศาสนาเราไปเรียนคำพีบเบิลบุญเรามีได้มาอ่านพระไตรปิฎกเพียงหน้าแรกเล่มเดียวอ่านไปเรื่อยๆเท่านั้นเองจิตมันก็พอใจแล้วมันก็มีความรู้สึกว่า อยากบวชตั้งแต่วันแรกอดทนมาตั้งสิบปีต้องเที่ยวร่อนเร่พเนจรไปในโลกกว้างทินรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับตะวันออกตะวันตกเอเชียยุโรปออฟริกาเที่ยวไปสุดท้ายทนไม่ไหวมันอยากจะบวชเหมือนคนอยากจะศึกในที่สุดก็ต้องมาบวชเห็นคนอื่นเขาอยากศึกเราอยากบวชใจจะขาดตาย นี่ก็คงจะต้องเป็นที่บุญบวชมาแล้วก็ไม่มีความทุกข์ใจอะไรอยู่ไปอย่างนี้มีแต่ทำประโยชน์ถ้ามีอายุอยู่เป็นหมื่นปีก็คงจะไม่ต้องทุกข์มากเพราะทำประโยชน์ให้แกศาสนาอย่างนี้ถ้าจะตายไปวันนี้ก็ไม่ได้วอรี่เสียใจอะไรเพราะเราได้ทำดีมาแล้วตลอดไป ถ้าชานามีก็ไม่ขาดทุนถ้าชานาไม่บีก็ไม่ขาดทุนอีกเพราะเกินมามันก็จะแก่จะเจ็บจะตายจะพัดนาจะแตกแต่ลายในที่ทุมันก็พร้อมเพราะฉะนั้นการบวชเนี่ยต้องถือว่ามีบุญสาทุโขปปชิโตพระพุทธเจ้า ว, ว่าการบวชนั้นเป็นการดีการบวชนี่มีคุณค่ายิ่งกว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีคุณค่ายิ่งกว่าพระเจ้าจะกลับหัก อภิเจปตามาทายาณนาคาโรโอปริภเชอันจังวิหิงสยังโลเกอปิรเชนตังวรังแม้จะถือบาดดินอุ้มบาดดินเที่ยวขอทานเขากินเลี้ยงชีพปราสจากการเบียดเบียนผู้อื่นชีวิตยอย่างนี้ประเสริฐกว่าพระเจ้าแผ่นดินผู้ครองแควนจกักรพรรดินานฟังให้ดีเพราะเหตุ น, นั้นการบวชนี้ถือว่ามีบุญมากถ้าไม่มีบุญแล้วมันไม่ได้บวช บุญหรือกรรม เ, เขาบอว่ากรรมนั่นก็ไม่เข้าใจกันอีกดีๆกรรมไปว่าการการะทําทําดีด้วยเจตนาดีก็เรียกว่ากุศลกรรมทําชั่วด้วยเจตนาต่ํำสามก็เรียกว่าอกุศลกรรมกรรมชั่วเพราะฉะนั้นบุญ น, นี้เป็นบุญหรือเป็นกรรมก็เรียกว่าเป็นกุศลกรรมไม่ใช่อกุศลกรรมที่นี่ก็ถามต่อไปว่า มีบุญหรือมีบาปบางคนว่าเป็นบาปบางคนว่าเป็นบ้าคนโง่ก็ย่อมไม่มองเห็นสิ่งที่ดีที่งามเขาเห็นเพียงสติปัญญาของเขาที่เห็นเพียงแค่นั้นเราอย่าไปถือสาตามคำพูดของคนอื่นสุทธิสุทธิปัจจตังนโยนยังวิโซทะเยบริสุทธ์เศร้ามองจะดีเลวมันอยู่ที่การกระทําของเราไม่ได้อยู่ที่เขาบอกว่ามันดีเขาบอกว่ามันเลว เราทำดีแล้วเขาว่าเราเป็นบ้ากรบฉังหัวเขาอะไรอยากไปทร่สาหาความโลกนี่มันก็เป็นอย่างนี้ในสมัยพระพุทธเจ้าเขาก็หาเรื่องหาเรื่องด่าท่านเมืองกันนักบวชคนโลนคนไม่มีตระกูลุนชาติตั้งทีเขา่าคนบ้าพระพุทธเจ้าเดินก็ไปบินทบาท ในเมืองโกสัมพีเขาเดินขบวนด่าทั้งเมืองจะเป็นโจรจะเป็นมารจะเป็นอูจะเป็นคนจันทันจะเป็นคนชาติชั่วเจ้าเป็นเปรเป็นสุรกายเจ้าเป็นบ้าคํากล่าเหล่านี้มีเกลื่อนอย่าไปถือสาเขาเลยแการบวชเนี่ยไม้แต่เทวดาก็กราบก็ไหวพระเจ้าแผ่นดินเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็กราบก็ไหวเทวดาพระอินท์ทั้งหลาย เวลาจะยื่นย้ายไปไหนจะเคลื่อนย้ายไปไหนพระอินทจะไปไหนจะขึ้นรถสั่งให้คนขับรถเทวดาขับรถมาตูรีเป็นสารถีไปเตรียมม้าหนึ่งพันตัวอาชนา이หนึ่งพันตัวม้าสินธูเทียบเวชยันราชรถจะไปตรงนูง้นตรงนี้ก่อนที่จะขึ้นรถกอบพนมเมือไว้ อาหารจะศีลสัมปันนาจิลรลัทธสมาหิเตเราขอนอบน้อมไหวท่านผู้มีศีลเราขอนอบไหวท่านผู้มีจิตตั้งมั่นในสมาธิสัมมาปรัชิเตวันเทพมจริยปาราเนเราไหวบุรลดสตรีผู้บวชแล้วโดยชอบเราไหว ผู้ที่มีพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้าเราบวชนั้นเทวดาไหว้พระอินทร์ไหว้พรหมจรรย์ที่เราประพฤติอยู่เบื้องหน้าขณะ น, นี้ความบริสุทธิ์ที่มีอยู่เดี๋นี้เทวดาไหว้พระอินทร์ไหว้จะไม่ให้ดีคนบ้าคนโง่อเท่านั้นแหละที่เขามองไม่เห็นคุณค่าเพราะฉะนั้นเทวดาก็ไหว์มหากษัตริย์ก็ไหว์พ่อแม่พี่น้องก็ไหว์ สมณีทะอรณารโลกีสมณะนังหูสิตังนันสติสมณะอิชังปริชาณติสมณะนังโพสิสิยังสธาสมณะนังมาตาปิตาพาตาวันทันตินังปฏิทิตังสมะีทะชาติฮินังอภิวาทันติขตยาแปลว่านักบวช สมณะทางหลายในธรรมวินัยนี้ไม่เป็นฆาสศึกผู้ใดในโลกพรมจันที่ประพฤติอยู่ปฏิบัติอยู่จบแล้วของสมณะทางหลายย่อมไม่มีเสื่อมสมณะทางหลายย่อมกำหนดรู้ความอยากของตนได้ความเป็นไทยเป็นอิสระย่อมมีแก่สมณะแก่นัก บ, บวชทุกเมื่อ มารดาบิดาพี่น้องย่อมไหวผู้ที่ตั้งมั่นในศีลคือสมณะทุกเมื่อฟังให้ดีสมณะแปลว่าผู้ปวดผู้สงบเนี่ยจึงบอกว่ามาตาปิตาคาตาวันทันตินังปฏิทิตังมารดาบิดาทั้งพี่ทั้งน้องย่อมไหวผู้ที่ตั้งมั่นในศีลในธรรมผู้ที่เป็นสมณะแล้วทุกเมื่อ หลังจากนั้นท่านก็พูดลึกลงมาเอกบอกว่าสมณีทชาติฮหนังอภิวาเทนติัติยาถึงแม้พวกกระสับโอ้อภิวาทสมณะในธรรมวินัยนี้ผู้มีชาติต่ำกว่าตนไม่ว่าเราจะเป็นลูกของคนยากจนจันทานคนยากไรเมื่อได้มาบวชในธรรมวินัยนี้ แม้แต่พระราชามหากัตร์ก็น้อมเสียนอภิ ว, วาสนักบวชสมณะในศาสนานี้ผู้มีชาติต่ำกว่ากษัตริย์เหล่านั้นเพราะเหตุ น, นั้นขอให้ลูกได้เข้าใจว่าการที่เราได้บวชนั้นเป็นบุญมากแม้จะได้บวชเพียงน้อยนิดก็จงตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม มีศีลควบคุมกายวาจามีสมาธิควบคุมใจมีสติปัญญารู้เท่าทันอารมณ์แห่งจิตแห่งใจฝึกฝนตนเองอยู่ในวัฏสงสารนี้เพื่อให้ค้นพบพระนิพพานในวัฏสงสารเหมือนกับบัวที่เกิดมาในตมในโคลน พ้นตมโครนแล้วเบ่งบานสะพังบริสุทธิ์ไม่แปดเปื้อนมลทิน